คนเราวันหนึ่งนอนประมาณเจ็ดแปดชั่วโมงไม่น้อยเลยนะหนึ่งในสามของวันหรือว่าหนึ่งในสามของชีวิตแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยนะมีอิทยาบทหนึ่งที่เราใช้มากใช้เวลามากกว่าการนอนซะอีกนะ <c oughs> ก็คือการนั่งนะคนสมัยนี้โดยเฉพาะในเมืองเนี่ยวันหนึ่งนี่นั่งประมาณเก้าหรือสิบชั่วโมงนะโอาไม่น้อยเลย ถึวแล้วคิดว่านอนนี่เยอะแล้วนะกลับนั่งมากกว่ายไม่ว่าจะเป็นนั่งกินข้าวนะนั่งรถไปทำงานแค่นั่งรถไปทำงานนี้ก็ถ้าเป็นกรุงเทพนะก็สองสามชั่วโมงแล้วมีนักศึกษาคนหนึ่งบ้านอยู่บางนาไปเรียนที่ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตรล์ลังสิตนะไปกลับก็สี่ชั่วโมง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 ว่ากันว่านโปเลียนเนี่ยนโปเลียนนี่เป็นจกักรพรรดินะที่ยิ่งใหญ่มากของฝรั่งเศสนะเมื่อสองร้อยปีที่แล้วนี่ก็ยืนทำงานนะนะยืนทางานตนี้ก็เป็นโตสูงหลายคนก็อย่างเช่นาดาวินชีเนี่ยดาวินชีนี่ก็เป็นนักวาดที่มีชื่อมากเมื่อสี่ห้าร้อยปีที่แล้วก็ยืนวาดรูปเหมือนกันนะ่น อันนี้เขาก็เชื่อว่ามันทำให้สมองแรล่นหรือกระมังนะชีวิตสมัยใหม่เนี่ยต้องต้องออกกำลังกายมากขึ้นเขาว่าเนี่ยการเดินเนี่ยสำคัญมากนะเดินนี่ถ้าเดินได้วันละหมืนเก้านี่ถือว่าใช้ได้จากนี่ไปถ้ามาไฟหวานนะหลวงพ่อมเขยนั้นเคยเดินประมาณห้าพันสามร้อยเก้าไปกลับก็หมืนเก้าเศเศษนะ นหมืนเก้านี้ก็ประมาณสักเจ็ดกิโลเจ็ดกิโลครึ่งหรือแปดกิโลก็ระยะทางพอๆกับบินธบารจากปูหลงนะวัดป่ามหาวันที่บ้านตัดลินทองไปกลับก็ประมาณนี้แหละนะหมื่นเก้าถ้าเดินไม่ถึงหมื่นเก้านะอันนี้ถือว่ายังยังไม่ออกกำลังกายมากเท่าที่ควรน ะ, ะพระเรานี่ก็ก็มีการเดินบินธบาทเหมือนกันนะ แต่ว่าที่สุกโตเราเดินมิตรบาทนี่ไม่ถึงหมืนเก้านะอย่างมากก็หนะ้าพันเก้าหพันเก้าะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นแง่คิดนะทีะ่พวกเรานะถ้าหากว่าสนใจเรื่องสุขภาพเนี่ยนะก็ต้องใส่ใจนอกจากการดูแลเรื่องอาหารล้างพิษแล้วเนี่ยนะการออกกำลังกายก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่นี่เราก็นั่งเยอะนะเพราะว่าเรานั่งสร้างจังหวะนะ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 อันนี้นะเป็นสิ่งที่เราทําได้และควรทําด้วยนะเดี๋ยวนี้คนกรุงเทพเนี่ยใช้เวลาอยู่ในรถนะปีหนึ่งประมาณร้อยกว่าวันนะไม่น่าเชื่อนะสามร้หกสิบห้าวันคือหนึ่งปีเนี่ยเราใช้เวลาอยู่ในอยู่บนรถอยู่บนถนนเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยนะถ้าคิดเป็นวันก็ประมาณร้อยกว่าวันนะร้อยกว่าวันนี่หมายความว่ายี่บสี่ชั่วโมงเต็มๆนะของทุกวันนะไม่เชื่อก็ลองคํานวณดูนะ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 รวมไปแล้วทั้งปีเนี่ยอยู่บนรถอยู่บนถนนเนี่ยร้อยกว่าวันนะหรือว่าเกือบเกือบหนึ่งในสามของปีนะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักใช้เวลาบนถนนหรือบนรถนี้ให้เป็นประโยชน์นะอย่างเช่นเจริญสติไปหรือว่ารักษาใจไม่ให้เครียดไม่ให้ทุกเนี่ยมันมีแต่เสียกับเสียนะนะไม่ใช่แค่เสียเวลาเสียสุขภาพด้วยนะการนั่งอยู่ในรถนานๆเพราะร่ า, างกายไม่ได้ออกกาลังกาย ให้งไงก็ต้องได้สักอย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งแต่ได้อย่างหนึ่งก็ยังดีนะนะตัวอยู่บนรถนะแต่ว่าใจก็ได้ฝึกสติได้ทําสมาธินะหรืออ่านหนังสือก็ยังดีถ้าอ่านได้นะก็่ังได้ความรู้บ้างหรือก็ปล่อยใจลอยแต่สมัยนี้ก็มีกิจกรรมอย่างื่นทานะเช่นเล่นเฟสเล่นไลน์นะแต่การเล่นเฟสเล่นไลน์นี่มันไม่ใช่ดีเสมอไปบางทีก็เครียดนะอ่านไปก็เครียดไปเล่นไปก็เครียดไปนะใหเรื่องการเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการ ฝึกกายฝึกใจนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะ <c oughs> เพื่อที่เราจะได้นะมีชีวิตนะที่เป็นประโยชน์นะทั้งประโยชน์ตนและปรนะโยชน์ท่านอย่างวันนี้ก็มีการทําประโยชน์ท่านนะจะมีการปลูกป่าเป็นนัดสุดท้ายนะนะมีญาติโยมชายภูมิจะมาพาพักพวกมาปลูกป่ากันวันนี้ก็มีคนกิจกรรมหลายอย่างนะเขาเรียกเป็นวันที่คา r ์ฟรีเดย์คารฟรีเดย์คือวันที่ปลอดการจากการใช้รถ ก็มีการลนล ง, งขี่จักรยานนะแต่ว่าก็ท่างญาติโยมชายภูมิก็มาทําประโยชน์อีกแบบหนึ่งนะก็คือมาปลูกต้นไม้ก็มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เ, เหมือนกันเพราะว่าให้คาร์ฟรีเดียนี้ก็เพื่อลดมลดพิษนะให้กับโลกของเราการปลูกต้นไม้นี่ก็เป็นการนะช่วยลดมลดพิษได้ด้วยนะเพราะว่าต้นไม้มันก็ช่วยดูดคาร์บอนไดออกไซด์นะแล้วก็เปลี่ยนเป็นออกซิเจนเป็นการปลูกป่าครั้งสุดท้ายนะของปนะีปีนี้ปลูกชานะเที่ยวสุดท้าย